ก็วันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาเนาะ <c oughs> ก็ออกจะได้เวียนเทียนกันนะเวียนเทียนถือว่าเป็นการที่ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสมัยสมัยพุทธกาลตอนที่พระพุทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะเวลาพระสงฆ์หรือว่า ญาโยมนะมาที่มาที่วัดนะก็จะมาทําความเคารพปกติพวกเราทําความเคารพก็คือการกราบเนาะแต่คนสมัยก่อนการทําความเคารพที่สูงสุดคือการการเดินรอบคนนั้นนะสามรอบ <c oughs> เดินรอบขวานะไม่ใช่รอบซ้าย <c oughs> รอบขวานี้ทําความเคารพรอบซ้ายนี้จงศพตอนตอนคนตายเนาะคือ <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ที่สมมุติท่านนั่งเตรียมแสดงธรรมนะคนจะมาฟังธรรมก็จะเดินรอบองค์ท่านสามรอบก่อนแล้วก็ค่อยนั่งลงในที่สมควรแล้วก็ฟังธรรมนะเราก็ถือเอาประเพณีแบบนั้นแหละนะแม้ไม่มีพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปปรักแล้วก็ถือเอาเนี่ยเอาพระพุทธรูปแทนบ้าง เอาเจดีแทนบ้างนะหรือว่าเอาต้นโพนะอะไรนะคือแทนสัญลักษณ์พระพุทธเจ้านะสมัยก่อนไม่มีไม่มีการทำรูปพระพุทธรูปนะก็อาศัยถ้าเป็นแสดงความที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะก็อาศัยอาศัยต้นโพนะเป็นสัญลักษณ์ หรือแสดงตอนที่ท่านแสดงธรรมนะก็อาศัยรูปธรรมจักรนะหรือมีกวางด้วยนะอยู่ข้างๆธรรมจักรนะเป็นปางปฐ ม, มเทศนาอยูนะันะหรือบางทีก็อตอนที่พระเจ้าท่านประสู寿ก็อาศัยเป็นรูปดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากดินนะคล้ายๆเกิดมาแล้วก็ พอท่านเดินได้ก็มีดอกบัวรองรับนะคือที่จริงก็อาศัยสมมตินะ่ะสมมติต่างๆว่าแทนพระพุทธเจ้าเพราะคนสมัยก่อนไม่กล้านะไม่กล้าทำรูปเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะว่าเหมือนกลัวทาแล้วมันไม่เหมือนทำแล้วจะผิดเพี้ยนไปเนะาะแต่สมัยนี้เราก็ไม่รู้หลักว่า พระพุทธเจ้าท่านหน้าตาเป็นแบบไหนนะแต่ที่แน่ๆว่าพระพุทธรูปนะแต่ต่าประเทศเนี่ยก็น้ า, นา พ, พักไม่เหมือนกันเนาะคนไทยนะพระพุทธรูปก็น่าจะคล้ายๆคนไทยหน่อยคนจีนก็พระพุทธรูปก็คล้ายๆคนจีนนะคนอินเดียนะสีรังกาก็เป็นแบบแขกๆหน่อยนะถ้าฝรั่งทมก็อาจจะเหมือนฝรั่งก็ได้นะ ก็คือทำไปตามที่เขาเขาคิดว่ามันสวยนะสงา่าแต่ที่จริงก็ไม่ได้ว่ามันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะแต่สมัยนี้บางทีก็เกินไปจนเอาพระพุทธรูปเอาสัญลักษณ์ต่างๆแล้วเอาไปประดับบ้านนะเศรษฐีหลายคนเอา เอาแบบพระพุทธรูปไปทําเป็นลั้ก็มีไปประดับสวนยอมก็มีนะ <c oughs> ถ้าเราเป็นชาวพุทธเรารู้สึกแบบไห น, นก็รู้สึกไม่ดีเนอะอรู้สึกไม่ดีที่เขาเอาเอ า, าศาสดานะ่ะเอาไปเอาไปประดับในที่ที่มันไม่ควรบางที่ก็เอาไปประดับที่บาร์ที่นะห้องนั่งเล่นในแบบนี้ยก็มี <c oughs> ใช่อยู่นะเรารู้สึกว่ามันไม่ควรแต่เราจะไปโกรธเขาก็ไม่ควรเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ใช่สอนให้เราไปโกรธไปไม่พอใจไปว่าคนอื่นนะคือเขาไม่รู้เขาก็ทําไปตามที่เขาไม่รู้นะเรารู้ว่ามันไม่ควรนะเราก็ไม่ทําแหละแต่เขาไม่รู้ก็เราจะไปโกรธคนไม่รู้นะ มันก็ไม่ควรเหมือนกันอันนั้นเราก็เวลามันมีเราเห็นสื่อเห็นอะไรพวกนี้ทานองนั้นก็ทางที่ดีของเราก็คือทำใจของเรานะใหม้มันไม่ควรแต่เราก็ไม่ควรโกรธเช่นเดียวกันเพราะสมัยนี้มันก็ห้ามยากนะห้ามยากนะแต่ให้เราอาศัยเราศึกษาธรรมะนะให้มันแท้จริงนั่นแหละนะ เราจะรู้สึกว่าที่จริงเรากราบพระที่ตรงไหนนะหมายถึงว่าเราจะหันหน้ามาทางพระพุทธรูปหรือเปล่าหรือที่ตรงนั้นจะมีพระพุทธรูปหรือเปล่ามีรูปนะเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่สําคัญเลยนะเรากราบที่ไหนนะถ้าใจเราถ้าใจเรามีสติมี มีความรนะลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ่ะกาบตรงไหนนะก็เรียกว่ากาบถึงพระรัตนไตทั้งนั้นเลยนะืะจะกาบอยู่กับดินนะก็ถึงพระรัตนตยเหมือนกันนะไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องไปกาบตอนหน้าพระพุทธเจ้าหรือต้องไปนู่นพุทธคยานะเหมือนช่วงนี้นะคนไทยเรา วันนี้วันสุดท้ายนะไปกราบศพในหลวงราชการที่เก้าใช่ต่อคิวกันยาวเลยนะเราก็เชื่อออืได้ไปได้ไปคารวะศพท่านก็สักครั้งหนึ่งก็ยังดีแต่หลายคนก็ไปก็ไม่ได้เข้าเพราะว่านานมากน่ะรอเป็นหลายสิบชั่วโมงก็ไม่ได้เข้าสักทีเพราะเราคิดว่าเราต้องไปทําความเคารพต่อหน้าต่อหน้าศพท่านถึงเป็นกัน เคารพท่านอันนั้นก็ใช่เยอะส่วนหนึ่งนะแต่ที่จริงความเคารพจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้นะอยู่ที่ไหนก็ก็สามารถเคารพได้นะเช่นคนไทยเราหลายคนส่วนใหญ่ก็คือเคารพในหลวงแล้วก็เอาคุณธรรมในหลวงราชการที่เ้าเอามาทำมาแหละก็คือการการที่เราสืบสารปฏิทานของท่านแล้วเคารพท่านแล้วนะ ไม่ใช่เคารพเพียงแค่การกราบไหว้เนาะเพราะว่าชาวพุทธส่วนใหญ่บางทีเนะี่ยเอาเช่นเดี๋ยวนี้ทำไมเนี่ยบูชาพระเครื่องกันเยอะมากนะเอาห้อยคอเอาอเยอะมากนะก็อเอาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเราเป็นชาวพุทธนะว่าเรามีพระนะแต่ใจเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ย เอาพระห้อยคอแต่ไปกินเหล้าอยู่นะอเอาพระห้อยคอแต่ก็ยังไปผิดศีลผิดธรรมอยู่นะมันก็ยังไม่ใช่เป็นชาวพุทธจริงๆนะแต่ถ้าเรามีพระห้อยคอนะแล้วเตือนใจเราว่าเออนะ่เราไม่ทำผิดศีลผิดธรรมนะไอ้แบบนี้ก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์นะแต่ถ้าเอาห้อยไว้แต่ก็ยังทำ ตามกิเลสอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการไม่เคารพเลยซนำะไม่เคารพทันเลยซ้ำนั้นการทาความเคารพจริงๆเนี่ยนะนะอย่างที่เราจะมาเวียนเทียนนี่นี้เรียกว่าเราเราบูชาเราเคารพด้วยอามิตรบูชานะอามิตรบูชาคือมีดอกไม้ทูบเทียนมีพิธีกรรมมีอะไรต่างๆที่ให้เห็นเป็นสั ญ, ญลักษณ์เนาะ ดอกไม้นะนของสวยของงามนะทุกเทียนก็เปรียบเสมือนปัญญาแสงสว่างนะทูกก็เหมือนกับกลิ่นหอมที่กระจายไปไกลนะก็คือเกียรติคุณพระพุทธเจ้าน่าแหละนะที่กระจายไปไกลเป็นแสงสว่างทางปัญญานะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสวยงามอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ให้เราได้ อามาบูชาแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สําคัญนะเพราะการปฏิบัติบูชาเนี่ยทําได้ทุกโอกาสเลยนะบางทีการเคารพด้วยวัตถุสิ่งของเนะี่ยบางทีเราก็รอโอกาสเนาะอย่างปีหนึ่งก็ได้เวียนเทียนกัน เท่าไหร่สักสามสี่วันนะวันสําคัญทางศาสนานะสามสี่วันนะก็เวียนเทียนไม่มากนะหรือเราบูชาพระในตอนเช้าเวลาไปทําบุญนะจุดทูปจุดเทียนนะมีดอกไม้ขันห้าไปวัดบ้างก็ก็วันละครั้งสองครั้งนะธรวัดเช้าธรรมดเย็นจุดทูปจุดเทียนบ้างแต่การประดวดบูชาเนี่ยทําได้ตลอดเวลาเลยนะ เราเอาใจของเราเนี่แหละบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเอาใจของเราเนี่ยนะเหมือนมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอันนี้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนเราสวดมนต์ทำวัดนะมันจะมีหมดหนึ่งที่บอกอืมข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้านะข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระธรรมนะพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าต้องมีคนมือเคยมาถามอาจรมานะทําไมคําสอนพระพุทธเจ้าบทสวดอันเนี้ยมันแบบมัน มันกดขี่กันมากเลยคล้ายๆว่าอืมคนเราก็มีคล้ายๆมันควรที่จะต้องเสมอภาคกันนะเออทําไมยังแบบเราต้องมาเป็นทาตสนะพระทาสของพระพุทธเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์เราควรแต่ต้องเราก็มีสติปัญญาก็ควรจะเสมอภาคนะคนเหมือนกันนะแบบเนี้ยมีคนถามจริงๆนะ แต่จริงถ้าเราปฏิบัติทำจริงๆเข้าใจนึกซึ้งจริงๆมันมันความรู้สึกแบบนั้นเลยเข้าใจที่หลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านเปลี่ยนชื่อตัวเองนะจากพระพระเงือมนะนะมหาเงือมนะก็เรียกตัวเองเป็นพุทธทาสพิกขุ <c ười> คือขอเป็นทาสพระพุทธเจ้านะอืมคือ คล้ายๆว่ามอบชีวิตทั้งชีวิตที่เหลือเนะี่ยรับใช้พระพุทธเจ้าหรือท่านหลวงพ่อประยุทธ์อ่ประยุทธ์โตนะตอนนี้เป็นสมเด็จนะท่านก็มีสุภา ษ, ษิตของท่านบอกอืมชีวิตนี้เพื่องานงานนี้เพื่อทำคือชีวิตเนี่ยเพื่อถ้าจะพูดก็คือชีวิตเนี้ยเพื่อทำนะ ชีวิตนี้เพื่องานนะงานที่เขียนหนังสือบ้างงานบรรยายทำบ้างงานนะเป็นที่ปรึกษาต่างๆบ้างนะงานงานนี้เพื่อทำนะเพื่อเผยแพร่พระธรรมเพื่อดำรงพระธรรมนะให้อยู่ต่อไปอันนี้คือผู้ที่แบบเข้าถึงพระรัต น, นตรัยจริงนะหรือแม้แต่หลายคน พอได้ปฏิบัติธรรมกับใครแล้วมีความเคารพครูบาอาจารย์มากครูบาอาจารย์เป็นแสงสว่างทางปัญญาเนาะที่พาเราแบบออกจากทุกข์ได้นะเหมือนครูบาอาจารย์ให้ทําอะไรนะก็ทํานะแม้บางทีอาจจะขัดใจนะขัดใจแต่ครูบาอาจารย์บอกให้ทําก็ทำํำนะก็จําได้หลวงพ่อ หลวงพ่อคำเขียนก็พูดประมาณพอท่านเข้าใจธรรมะท่านไปพูดกับหลวงพ่อเทียนใช่ปะหลวงพ่อเทียนให้ผมทําอะไรนะผมก็จะทํา <c ười> คือคําว่าทเนี่คือเหมือนหลวงพ่อเทียนก็คงต้องการให้หลวงพ่อคงเขียนช่วยเผยแพร่ธรรมะนั่นแหละนะท่านก็ยึดตรงนี้แหละเป็นเป็นกิจของท่านหรือตอนที่หลวงพ่อเทียนท่านเสียนะหลวงพ่อคำเขียน ท่านใช้คำพูดของท่านเนาะแบบซาบซึ้งนะบอกท่านตบอกตัวเองนะ อ, อกเราเนี่ยแหละคนนึงหลวงพ่อเทียนไม่เยอะเราเนี่แหละคนหนึ่งจะจะเผยแพร่คำสอนของหลวงพ่อเทียนต่อไปนะหรือท่านไปสอนธรรมที่เมืองจีนนะหรือไปบางที่ท่านก็พูดว่าเนนะี่ยคือหลวงพ่อก็จะขอสอนแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยแหละนะอืม คนอื่นก็อาจจะสอนแบบอื่นนะแต่หลวงพ่อขอสอนตามแนวหลวงพ่อเทียนนะพายกมือสร้างจังหวะเจริญสติเนี่ยแหละนะอันนี้คือความที่เหมือนคือได้ชีวิตใหม่จากจากหลวงพ่อเทียนท่านก็ตามรอยหลวงพ่อเทียนเนาะที่จริงครูบาอาจารย์ใส่อื่นก็เหมือนกันที่มีลุสิต ท, ท่านก็ก็เป็นแบบนี้นะคือ ด้วยความเคารพอะ่ะก็ทําตามนะทำตา ม, นะตามช่วยงานของท่านนะช่วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้จะว่าเป็นทาตก็ก็เป็นธาตุนะแต่เป็นทาตแบบเรียกว่าเต็มใจเป็นทาตไม่ใช่เป็นทาตเพราะถูกบังคับให้เป็นทาตุนะเป็นทาตด้วยความเต็มใจแต่ทาตในที่นี้หมายความว่าขอเป็นผู้รับใช้นะเอาชีวิตเนี้ยทั้งชีวิตเป็นผู้รับใช้ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนสมัยนี้เอาคู่จริงตรงนะบางทีเรามีชีวิตอยู่ยี่สิบสามสิบปีทำงานนะรับใช้อะไรรับใช้บริษัท <c oughs> หลายคนทำาบริษัทคือโอ้ยเขาให้เงินเดือนก็จริงนะผมเดือนละกี่หมื่นกี่แสนก็แต่เขาก็ใช้เอาคุ้ม อ, ะอ่ะทำงานรับใช้บริษัทนะบริษัทนั้นก็เอาเงินผลประโยชน์ไป ไปบำเรอกันนะไปใช้สนองความสุขกันแต่มีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนบริษัทนะแทนที่จะเป็นบริษัทค้ากำไรเรามาเอาชีวิตของเรามารับใช้พุทธบริษัทนะไม่ว่าเราจะเป็นพิสุก็ดีเป็นพิสุนีก็ดีนะอุบาสกอุบาสิกาก็ดีนะถือว่าเป็นเป็นพนักงานบริษัท พุทธ <c oughs> เป็นพุทธอยู่เป็นพักงานในพุทธบริษัทนะเราก็ทำหน้าที่ของเราช่วยให้พุทธบริษัทมีความเจริญงอกงามขึ้นไปนะแต่คำว่ารับใช้พุทธบริษัทไม่ใช่ว่าเราต้องไปไปทำร้ายศาสนาอื่นนะไม่ไม่ใช่เราก็เพียงแค่นี่แหละถืบสารหัวใจของพุทธศาสนา การทำความดีให้ถึงพร้อมการละความชั่วการทำจิตให้ข่าวรอบเนี่ยคือหัวใจนะคำสอนที่เอาไปปฏิบัติแบบง่ายๆนะนี่คือเราสืบสานตรงนี้แล้วก็ช่วยกันเผยแผ่คำสอนพระพุทธเจ้ า, จาตรงนี้แหละนะให้คนได้เอาไปใช้ต่ออันนี้คือถือว่าเรารับใช้พุทธบุตรทัดแล้วนะ พวกเราสามารถคืออาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดธรรมะเหมือนผมหรืออาตมามากเนี่แต่จริงแล้วก็ทำหน้าที่ในอื่นๆได้มาว่าอย่างแม่ครัวเนีน่ยก็ต้องอนุโมทนาเนาะแบบช่วยทำอาหารนะถวายพระสงฆ์พิษุนีอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่มีแม่ครัวก็ ก็ลำบากนะก็ลำบากนะไม่มีช่างนะคอยดูแลน้ำไฟสถานที่ก็ลำบากนะไม่มีญาติโยมที่คอยที่สนับสนุนบริจาคปัจจัยสร้างศาลาสร้างกุฏินะต่างๆก็ลำบากนะเนยเราก็ช่วยกันนะทุกคนมีส่วนร่วมให้ให้พุทธบริษัทเจริญได้นะ อ, อันนี้คือ คือสิ่งที่น่าอนุโมทนานะอนุโมทนาที่พวกเราช่วยกันนะเขาให้พวกเราได้สืบสานนะสืบสาน เ, เจตนาลมที่ พ, พ, พระพุทธเจ้าท่านท่านเผยแผ่ธรรมะไว้เนาะนะนะก็คือทำอย่างไรตัวเราถึงจะพ้นจากทุกนะทำอย่างไรเราถึงจะช่วยผู้อื่นหรือสรราสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์นั่นแหละนะ ให้เราช่วยกันเนาะนะช่วยกันทำให้อุทิศชีวิตนะที่เหลือเพื่อพระพุทธศาสนานะชีวิตบางส่วนก็อาจจะเพื่อทำมาหากินบ้างนะเป็นคารวาสนะแต่ก็เอาแค่พอประมาณนะให้แบ่งเวลาเพื่อมาทำกิจกับพุทธศาสนานะทำกิจของตนด้วย ทำกิจส่วนรวมด้วยเนะี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากนะชีวิตเรามันไม่มากหรอกนะเอาชีวิตไปรับใช้อย่างอื่นมันก็ได้ประโยชน์แต่ทางโลกนะแต่เราจะทาไงถึงจะได้ประโยชน์ทางธรรมด้วยเนะี่ยคือเป็นสิ่งที่ที่เราก็เอามาสืบสานกันนะฟันออกฟันสาไม่ใช่แปลว่าเราจะได้ไม่ไม่อยู่ร่วมกันแล้วนะ คือออกพัรษาแปลว่าเหมือนไม่ใช่เหมือนแบบพระเหมือนเด็กนักเรียนนะเป็นวันปิดเทอมเหมือนแยกย้ายกันน่ะไปที่นั่นที่นี่นะไม่ใช่นะแต่คือออกพรรษาก็คือวันที่เหมือนเราได้มาประชุมกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันไปที่อื่นเนาะเหมือนคนจีนก็อาจจะประชุมกันวันนี้วันสุดท้ายพวกนี้ก็แยกย้ายกันไปที่อื่นนะประชุมกันเพื่อ เออเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะ้เนาะประชุมกันเพื่อจะบอกว่ามีข้อแนะนําอะไรดีๆให้เอาไปใช้กันต่อเนี่ยนะคือคือประชุมกันแบบนี้นะวันออกพรรษาก็ถือว่าเป็นวันมหาปวารณาเป็นวันที่ให้ว่ากล่าวตักเตือนได้แนะนํากันได้นะเข้าใจผิดอะไรก็ขอโทษขออภัยกันน่ยเป็นนะ่ะเ เป็นวันปรับความเข้าใจกันด้วยนะเป็นวันแนะนำกันด้วยนะหรือถ้าใครไม่ได้เจอกันก็ก็ถือว่าเหมือนอย่าติดครั้งคาใจกันเนาะนะวันทีเราเจอกันนะบางทีเราอาจจะเจอกันครั้งสุดท้ายก็ได้นะคืออาจจะเจอกันแค่วันนี้วันพวกเนี้ยวันสุดท้ายแล้วต่อไปจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าไม่รู้นะดังนั้น สิ่งสิ่งที่ดีก็ทำต่อกันน่แหละนะเพราะว่าอาจจะเป็นการทำดีกันให้กันเป็นครั้งสุดท้ายเขาไปเมืองจีนหรืออยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะหรือดีไปดีไอเราเนี่ยแหละก็จะไปก่อนเขาไม่ได้เจอกันแล้วนั้นถ้าเราใช้ชีวิตนะเหมือนกับชีวิตวันสุดท้ายนะชีวิตครั้งสุดท้ายเนี่ย มันจะใช้แบบใช้แบบคุ้มค่านะแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเรายังอีกหลายวั น, นบางทีแบบเราโกรธคนนี้อยู่นะแบบไม่ให้อภัยมันหรอกรอก่อนสักสิวันเดี๋ยวค่อยมาง้อกันหน่อยนะดีไม่ดีตายกันก่อนก็ได้นะไม่ได้ง้อกันนะไม่ได้คืนดีกันนะอือหรือเราเห็นอะไรน่าช่วยเหลือเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนนะเอาเข้อจริงบางที อาจจะเกินแก้ไขก็ได้น ะ, ะบางคนมีหลายคนนะเพื่อนเครียดเพื่อนมีปัญหามีความทุกข์เอาไว้ก่อนนะที่จริงเขาอยากหาคนระบายเขาอยากจะหาตัวช่วยพอไม่มีคนช่วยปรากฏว่าไปฆ่าตัวตายกม็มีเอาไว้ก่อนนะก็มีนะตัวนี้หรือทะเลาะ ก, กันนะบางทีสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันขับรถออกไปชนตาย เสียตายเสียใจโอ้เมื่อกี้ทะเลาะกันยังไม่คืนดีกันเลยยังไม่ปรับความเข้าใจเลยเขาตายไปแล้ะนะก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะเนาะก็อย่ากโกรธกันข้ามวันข้ามคืนใครโกรธกันนะก็ให้อภัยกันซะนะจะโกรธกันข้ามวันข้ามคืนให้ให้มันจบนะในวันนี้นะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันหรือเปล่านะถ้าจะทำดีต่อกันก็ทำเลยนะทำทันทีนะทอดอทอนะทำทันทีนะทาสิ่งที่ดีๆนะทำทันทีอย่ารอวันพรุ่งนี้นะภาวนาเองก็เหมือนกันนะนะก็ทำตอนนี้เลยนะไม่ต้องวันนี้นะทำตอนนี้นะคิดจะภาวนานะกลับมารู้สึกตัวเลยนะ เรานั่งก็กลับมารู้สึกตัวที่กำลังนั่งหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกพลิกมือรู้สึกนะเดินอยู่คิดถึงการภาวนานก็เนี่ยแหละรู้ตัวขนาดที่เดินเลยนะอันนี้คือทมทันทีนะเ <c oughs> นี่ยคืออืมเราอย่าผัดบัลประกันพุ่งนะทำที่ปัจจุบันนี้นะเพราะชีวิตจริง มันนิดเดียวนะคือปัจจุบันอนาคตเนี่ยก็ยังไม่ใช่ชีวิตจริงอดีตก็ไม่ใช่ของจริงของจริงจริงๆนะ่คือคือปัจจุบันนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนไอ้ที่เราเห็นจริงๆนะก็คือต่อหน้าเรานะไอ้ที่คิดเห็นเนี่ย <c ười> ไม่ใช่นะ้ยคิดเห็นคนนั้นคิดเห็นคนนี้นะคิดเอาไม่ใช่ของจริงของจริงคือเนี่ยได้เสียงตอนนี้ได้เห็นภาพตอนนี้ ที่รู้สึกตอนนี้คือของจริงนะนั้นให้อยู่กับความจริงนะนะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆล้วก็ดูมันจริงๆน่ะแหละนะยอมรับความจริงแล้วจิตมันจะจิตมันจะไม่ทุกข์จิตมันจะเข้าใจความจริงนะเราเห็นของจริงก็จะเกิดความเข้าใจความจริงนะก็จะเกิดความเข้าถึงความจริงนะคือความจริงก็คือว่า ไม่มีเราเป็นผู้ทุกนะมันมีแต่สภาวะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะก็ฝากไว้ครับ